ชีวิตในคันเป็นอย่างไรทีนี้ก็ไปดูฝ่ายกาลละอีกทีหนึ่งเป็นการดูในฝ่ายรูปธรรมในเรื่องนี้ก็มีพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ตรัสว่าด้วยลำดับของชีวิตในคันมานดาซึ่งเราไปพบคำบาลีเป็นคาถาว่าปัทมังกาลลังโหติกะลาโหติอะพุทธังอะพุทธาชายเต เ, ตเปสิเปสินิพัตตีขโน คณาภาษาขาชายันติเกษาโลมานาคาปิจาจากสังยุตตนิกยัยสคาธวัคพระไตยปิฎกเล่มสิบห้านี้คือคำอธิบายว่าด้วยลำดับการเกิดเป็นระยะระยะที่ละช่วงสัปดาห์หรือช่วงละเจ็ดวันเจ็ดวันลำดับแรกที่สุดก็คือเป็นปัทมังกาลลังเป็นกาละละก่อนกาละละมิท่าเป็นศัพท์ในความหมายทั่วไป ก็จะได้แก่พวกเมือกพวกคโคลนตมเช่นว่าเหยียบลงไปในคโคลนหรือในที่เละแต่ในที่นี้กะละละเป็นศัพท์เฉพาะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตและท่านใช้คำเรียกว่าอย่างนั้นก็เพราะมีลักษณะเป็นเมือกหรือเหมือนอย่างน้าโคลนเละๆคือเป็นคำเรียกตามลาักษณะแต่ในกรณีนี้ท่านหมายถึงเป็นเมือกใสไม่ใช่คนอย่างคโคลนตม่ม กาละละนี้ท่านบอกว่าเป็นหยดน้ําใสเป็นหยดที่เล็กเหลือเกินเล็กจนกระทั่งในสมัยนั้นไม่รู้จะพูดกันอย่างไรเพราะยังไม่ได้ใช้มาตราวัดอย่างละเอียดถึงขนาดที่ว่าเป็นเศษส่วนเท่าไรของมิลลิเมตรของเซนติเมตรหรือของนิ้วท่านก็เลยต้องใช้วิธีอุปมาว่าหยดน้ําใสกาละละนี้นะมีขนาดเล็กเหลือเกินเหมือนอย่างเอาขนจามารีมาจามารีเป็นสัตว์อยู่ทางภูเขาหิมาลัย ซึ่งมีขนที่ละเอียดมากเอาขนจมารีเส้นหนึ่งมาจุ่มน้ำมันงาแล้วก็สลัดเจ็ดครั้งแม้จะสลัดเจ็ดครั้งแล้วมันก็ยังมีเหลือติดอยู่นิดหนึ่งซึ่งเล็กเลเกินท่านบอกว่าเนี่ละเป็นขนาดของกาลละกาลละมาถึงชีวิตในฝ่ายรูปธรรมเมื่อเริ่มกำเนิดในเจ็ดวันแรก ในช่วงเจ็ดวันแรกก็เป็นกาลละอย่างนี้ก่อนซึ่งเล็กเหลือเกินแล้วต่อจากกาลละนี้ไปในสัปดาห์ที่สองก็เป็นอะพุท ธ, ธะอะพุท ธ, ธะนี้ควรจะเรียกได้ว่าเป็นเมือกละคือเป็นน้ำข้นหรือเมือกข้นต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่สามก็จะเป็นเปสิคือเป็นชิ้นเนื้อแล้วต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่สี่ ก็จะเป็นก้อนเรียกว่าคณะต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่ห้าก็จะเหมือนกับมีส่วนงอกออกมาเป็นปุ่มห้าปุ่มเรียกว่าปัญจาสาขานี่เป็นสัปดาห์ที่ห้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผมมีขนมีเล็บกันต่อไปที่ว่ามา น, นี้ก็เป็นการพูดถึงลำดับของการเกิดเป็นนันว่าขั้นแรกที่สุด ในช่วงสัปดาห์แรกนี่เป็น ญ, ญาดน้ำใสหรือเมือกายที่เรียกว่ากาละละซึ่งเล็กอย่างเลอะเกินอย่างที่ว่ามาแล้วซึ่งก็รับ ก, กันกับที่พูดมาในตอนต้นบรรจบกับที่ท่านถือว่าในขณะเป็นชีวิตฝ่ายรูปธรรมที่เป็นจุดเล็กที่สุดอันนี้มีจิตแล้วจิตดวงแรกหรือจิตอันเป็นปฐมนี้เป็นมาพร้อมกันกับรูปธรรมที่เป็นกาลละ ซึ่งเป็นจุดเล็กในสัปดาห์แรกนี้เลยก็เป็นอันว่าแค่อย่างนี้ก็จบหมายความว่าในทางคำภีร์นี้ชัดเจนมากว่าชีวิตตั้งต้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าเริ่มต้นที่องค์สามประการบรรจบกันนั่นแหละองค์สามประการที่ว่าฝ่ายมารดากับฝ่ายบิดาบรรจบกันแล้วก็มารดาอยู่ในช่วงเวลาไข่สุกพร้อมทั้งมีคันทัพพระ ซึ่งท่านอธิบายว่าสัตว์ผู้มาเกิดนั้นก็ชัดไปทีหนึ่งแล้วยิ่งกว่านั้นยังอธิบายอีกว่าเป็นปฐมมจิตซึ่งจิตแรกซึ่งเกิดพร้อมกันกับกะละเล้ารูปที่เป็นยาดน้ําใสซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่หนึ่งในชีวิตช่วงแรกที่สุดนี่ก็เท่ากับย้ําซ้ําแน่นหนักลงไปอีกอัตมาจึงบอกว่าถ้าพูดเรื่องการทําแท้งก็ชัดเจนเท่านี้ก็หมดแล้ว ไม่รู้จะพูดอะไรอีกเป็นนั้นว่าถ้าถามว่าชีวิตตั้งต้นเมื่อไรก็มีคำตอบในทางธรรมที่ท่านพูดไว้ชัดเจนและเกินแล้วหลักทั้งสามอย่างนี้ได้พูดไปแล้วนี้ก็มาประสานกันคือในทางพระวินยัยก็มีบทบัญญัติสำหรับพระภิกษุในเรื่องการทำความผิดทำลายชีวิตมนุษย์ในพระสูตรก็มีพุทธพจน์ตรัสไว เกี่ยวกับเรื่องกำเนิดชีวิตมนุษย์ในคันมารดาในพระสูตรอีกแห่งหนึ่งก็มีพุทธโพธั์แสดงลำดับความเจริญของชีวิตในคันที่เรียกว่ากาลละอภูธาเปสิกณะและปัญจาสาขาหลักทั้งสามนี้ก็มาโยงย้ำกันทาให้ได้ข้อยุติในเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ท่านถือว่ามีการเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเรื่องการเกิดสาหรับมนุษย์เรา ซึ่งเป็นสัตว์ที่ท่านเรียกว่าประกอบด้วยขันหเรียกเป็นสัพเ์เพาะว่าปัญจโวการะซึ่งก็คือมีขันหได้แก่รูปเวชนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเอง